หาเวลาให้กับตัวเองหาเวลาที่จะมาดูแลจิต ใ, ใจของตัวเองการที่เรามีงานทำมันก็ได้ได้มีเงินมีเงินมันก็นำมาซึ่งปัจจัยสีนะ่อันนี้สาระสาคัญจริงๆมันก็อยู่ตรงนั้นนะ แต่โดยมากเดี๋ยนี้ความเข้าใจมันก็ผิดเพี้ยนไปเยอะตัดขมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเงินมีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นทอดๆนะทางานได้เงินมีเงินเราก็มีปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่เราหาปัจจัยสีอย่างเช่นอานอาเนี้ยเราเลือกได้ที่เราจะเลือกเอาที่เราพอใจ จะประนีขนาดไหนมันก็ตามแต่ที่เราจะเลือกใช่ไพอเราเลือกแล้วก็เราเดาหาได้อย่างที่เราเลือกมันก็นามาซึ่งอารมณ์ที่น่าพอใจพอนำมาซึ่งอารมณ์ที่น่าพอใจก็ได้รับอารมณ์ที่น่าพอใจพอได้รับอารมณ์ที่น่าพอใจก็กลายเป็นความสุขใจขึ้นมา เพราะนั้นจะบอกว่าทำงานได้เงินและมีความสุขเนี่ยมันพูดหัวกับท้ายเฉยๆมันก็ไม่ได้จริงทุกกรณีไปแต่ทำงานเราได้เงินได้เงินมันมีปัจจัยสี่ส่วนเราใช้ปัจจัยสี่ยังไงมันก็เรื่องของเราเพราะนั้นตะกะว่ามีงานมีเงินมีความสุขเนี่ยมันก็ยังไม่เสมอไป เพราะเราก็เห็นนะ่คนมีเงินมากมีเงินน้อยมันก็เป็นคนที่มีความทุกข์ทนหน้าทุกคนอะไถ้าเรามีเงินก็ปัจจัยสี่เราบริบูรณ์ใช่ไหมมันก็สมประโยชน์อัไรในการที่เราละเอียดลงไปอีกนิดนึงว่า สุกกายกับสุกใจมันก็ต่างกันทุกกายทุกใจมันก็ต่างกันการที่เราอยากจะมีความสุขใจเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องพึ่งพาแตส่สิ่งข้างนอกอย่างเดียวคืออย่างที่ว่ามาแล้วว่าเวลาที่เราหาความสุขพอเราพูดถึงสุขกายกับสุกใจเนี่ยมันก็มีวิธีการ อีกวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าความสุขที่ได้จากการหลีกออกจากกามก็คือการได้หลีกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นแบบที่เรารังฝึกปีนี้แหละที่เอาใจเรามาปลูกไว้ย้อนใจเรากลับมาอยู่ในภายในที่ลงหายใจ ที่ทำบริกรรมคือพุโทโธทีนี้กานที่เราทำอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือใจเราก็ได้พักได้พักจากเรื่องต่างๆวุ่นวายมันอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นหรือเป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นนะตอนนี้ก็ตามซึ่งตอนนี้ตอนเช้าอย่างเราตื่นมาเนี่ย เขเรียกว่ามันยังไม่จําเป็นที่ต้องเอางานมาทําก็ได้เราถึงเช้ามานี่มันเป็นเวลาของเราโดยแท้เราเอาเวลามาดูแลจิตใจซะหน่อยให้ใจเราได้มีพลังให้ใจเราได้รับอาหารดีๆเริ่มต้นวันเราอยู่กับตัวเองเราอยู่กับพุทธโตเราอยู่กับอัมพริกรรมัม อะไรก็แล้วแต่จะพุทโธตัตมโมสังโฆสัมมาอรหรังหรือว่าจะมาดูลองหายใจมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้ได้มีพลังมากขึ้นเรื่องของใจเนี่ยมันก็จะต่างจากร่างกายนิดหน่อยร่างกายนี้เวลาจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นคือเราต้องใช้มันต้องออกกำลังมันใช้งานมันนะ่นะแต่ ใจของเราเนี่ยถ้าอยากให้มันมีพลังมากขึ้นกมันต้องหยุดหยุดอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งที่ลมหายใจก็ได้ที่พูดโธก็ได้เราหยุดให้ใจของเราไม่ออกไปข้าง น, นอกย้อนกลับเข้ามาตั้งมั่นในภายในกำลังของใจมันก็จะดีขึ้นมากขึ้นนั่นคือพูง่ายๆเราได้รับอาหาร พอได้รับอาหารมันก็แข็งแรงขึ้นมันคนอดโซหิวโซ่เนีย่ยมันก็ไม่มีแรงทําอะไรใจของเรามันก็เช่นเดียวกันถึงเราจะหลับตาพักผ่อนอันนั้นมันก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการพักผ่อนทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่อย่างบางคนหลับอาจจะไม่ได้หลับลึก อาจจะหลับแล้วก็ฝันไปหลับๆตื่นตื่นมันก็ได้พักนิดหนึ่งในการที่เราเรยังลืมตามแบบนี้ตื่นแล้วจริงๆทางร่างกายแบบนี้ต่ได้ให้ใจมาหยุดอยู่กับลมหายใจหยุดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธใจเรามันอิ่มมันเต็มมันมีอารมณ์ที่มันสบาย เต็มอิ่มมันก็มีพลังเรื่องงานก็ตามเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็พักไว้ก่อนมันเป็นเวลาที่เราก็จริงๆจะบอกว่าเป็นเวลาที่มีค่านะช่วงเช้าเนี่ยเป็นเวลาช่วงที่เรียกเป็นเวลาทองของวันนะ่ย ที่เราจะอยู่กับตัวเราไม่มีใครมากวนจริงๆเราก็ทาความสงบให้มันเกิดขึ้นได้ดีให้อาหารใจได้ดีถ้าเราพูดว่าระหว่างธรรมะ ก, กับกิเลสเวลามันก็มีเท่ากันนั่นแหละขึ้นอยู่แ ว, ว่าเราจะเอาเวลาของเราไปใช้ในแบบไหนถ้าเราเอาเวลาไปใช้ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็พาเราเป็นเปลิดเพินพาเราให้ส่งออกไปข้าง น, นอกรื่ถ้าเราเอาเวลาแบ่งปันมาไว้ให้กับธรรมะเรืดูแลใ จ, ใจิตใจเราก็ย้อนใจกลับเข้ามาข้างในซึ่งแน่นอนแหละถ้าเปรียบเทียบเป็นเวลาโดยปกติของการวันทั่วไปที่เราต้องทำงานที่เราต้องปะผู้คน มันต้องมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องพูดมีเรื่องต้องทำโอกาสที่ใจเราเนี่ยจะได้หยุดได้มีพลังได้เติมพลังได้รับอาหารใจดีๆได้รับอารมณ์ดีๆที่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นพิษกับใจแบบนี้มันก็ต่างกันมากโอกาสที่จะได้แบบนี้ก็จะน้อย เพราะฉะนั้นช่วงเวลาตอนเช้านี่มันจึงเป็นช่วงเวลาที่เราได้ดูแลสุขภาพจิตใจของเราอย่างเต็มที่พอเรามีพลังใจใจเรามีอารมณ์ที่มันมันดีมันผ่องใสมันเยือกเย็นมันเบาสบายปลอดโปร่งแน่นอนแหละเวลาเราเอาไปอยู่ในชีวิตปฏติ ทั่วไปตอนเช้าตอนกลางวันทํางานเพราะปะผู้คนเนี่ยมันก็ทํางานเอ่ยปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเอ่ยด้วยอารมณ์ที่มันดีอย่างบางคนอาจจะไม่เคยได้มาฝึกหัดจิตใจเงี้ยตื่นเช้ามาบางทีอาจจะมีอารมณ์ที่มันไม่เจื่อใสไม่ผ่องใสเป็นอารมณ์ที่มันตกค้างมีความกังวลหรือเศร้าหมองขุ่นโมยอยู่ มันก็เอาอารมณ์เหล่านั้นแหละเป็นทุนที่เราจะเอาไปใช้ในระหว่างวันมันก็ปฏิสัมพันธ์กับคนที่อารมณ์ด้วยอารมณ์ที่มันขุ่นมัวที่มันไม่ช่มชื่นเบิดบานเวลาที่เราอยู่กับใครใครอยู่ใกล้กับเราอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับรับกระแสะใจของเราแบบนั้นไปด้วย ก็ในทำนองกลับกันเวลาที่เราอยู่ใกล้กับคนที่เขาสดชื่นมีใจช่ำชื่นเบิกบา น, เร า, เ, นเราก็รับรู้ได้ถึงกระแสะใจที่มันดีอารมณ์ที่มันดีเราอยู่ใกล้เราก็ได้รับเหมือนได้รับส่วนแบ่งไปด้วยแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้กับคนที่หงุดหงิดใจขัดเคืองขัดข้องเศร้าหมอง เราอยู่ใกล้เราก็สัมผัสได้หละอยู่แล้วมันก็ไม่สบายไปด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เราจะตุนเอาไว้ตอนเช้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันมันก็เป็นต้นทุนที่เราเอาไปใช้ในระหว่างวันนมันถ้าเราต้นทุนดีจิตใจที่มันมีอารมณ์ที่ปลอดปโปร่งเบาสบาย เยอะเย็นเชื่อมชื่นเบิกบานทำงานทำการปฏิสัมพันธ์กับใครนะมันก็เป็นไปด้วยสิ่งดีๆนะพูดก็พูดแบบเป็นปกติหรือพูดในแง่ที่มันดีนะเพราะว่าอารมณ์มันดีความคิดความอ่านอะไรมันก็ไม่ได้ไปทางลบไปในทางในแบบที่มันควรจะเป็น ไปในาข้ามแบบที่มันเอื้อเฟื้อมีเมตตากับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นทำงานมก็แน่นอนร่วมเย็นแน่นอนเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เราตุนไว้ตอนเช้านี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราได้อยู่กับตัวเองเราได้มีเวลาให้กับตัวเองแบบนี้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ เราหาไม่ได้ในช่วงเวลาอื่นๆบางคนอาจจะนอนเยอะหน่อยตื่นมาปุ๊กบก็รีบทำธุระส่วนตัวแล้วก็ไปทำงานแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของการที่เราได้ดูแลจิตใจได้มาเข้าสมัครที่ทำให้ใจมันปลอบประโลมทให้ได้ ใจได้รับอาหารที่ดีในการเริ่มต้นของวันแบบนี้เราก็าจะได้ปรับหาเวหาเวลาปรับตารางชีวิตของเราใหม่ให้เรามีเวลาช่วงเช้าแบบนี้เนี่ยได้มาเด็จนจมกรมนั่งสมาธิทําให้ใจได้รับอาหารดดีดีต้อนรับวันใหม่ จริงๆถ้าจะพูดไปเนี่ยเราบอกว่าชีวิตเรามันก็ถ้าพูดไปก็คร่าวๆก็คือเอาหนึ่งร้อยไปลบใช่ไหมเนบางคนสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็ปาไปครึ่งนล้วแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ว่าเราจะอยู่ได้เต็มจำนวนโค้ต้าที่เรามี แต่ช่วงเวลาที่เหลือดูอาจจะยาวไกลยาวนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันซ้ำเก่าซ้ำเก่าไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เราทำอะไรบ้างอาไม่ได้นับมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะหมายถึงช่วงปกติของเราถึงเช้ามาเราทำอะไรทำงานตอนเย็นกลับมาก็อาจจะมีเวลาบ้าง น, นิดหน่อยแล้วก็พักผ่อน ส่วนในรายละเอียดของแต่ละคนแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันไปอยู่บ้างซึ่งแน่นอนแหละแพทเทิร์นของวันจันทร์เป็นแบบนี้อยู่วันอังคารมันก็ไม่ค่อยต่างกันมันพุ่งมันพืรหัสมันก็ไม่ต่างกันอาจจะมีต่างๆบ้างนิดหน่อยในวันหยุดคืออาจจะเสาร์อาทิตย์ที่มันจะเป็นรูทีนที่มันจะต่างจากวันทํางานนิดหน่อยถ้าสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คือ แต่ละวันแต่ละวันแพทเทิร์นชีวิตของเรามันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาให้เรามีความสุขมากขึ้นความทุกข์ที่มันลดลงนะเราไม่ได้ต้องทำอะไรเยอะเราก็แค่มาจัดตารางชีวิตของเราให้มันดีแค่วันเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรเยอะจัดตารางชีวิตของเราในหนึ่งวันให้มันดีพอวันนี้เราจัดได้ดี พรุ่งนี้มันก็แพทเทิร์นซ้ำเก่าหนแหละถ้ามันดีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องมีแนวโน้มที่มันดีซ้ำเก่าหนแหละแน่นอนรายละเอียดมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าแพทเทิร์นหลักๆที่มันดีแล้วเนี่ยแต่ละวันที่มันดีมันก็รับประกันได้ว่าพรุ่งนี้ก็ดีมะรืนก็ดีป็นคนที่ต้องการคุณภาพความสุขที่มันมากขึ้น แล้วก็ลดทอนความทุกข์ให้มันลดลงไปจากชีวิตจากใจของเราเนึ่งแล้วก็มาจาัดตารางชีวิตให้เหตุของความสุขใจให้มันมากขึ้นแล้วก็ลดเหตุของความทุกข์ใจให้มันลดลงแต่พูดในหนึ่งวันเนี่ยมันอาจจะดูลมรวมไปสนนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปก็คือเราก็มาซอยเวลาเ ล, ล็กๆลงไป ช่วงเช้าไปอย่างที่บอกมันไม่มีใครกวนเราเราก็อยู่กับตัวเองเราได้ให้เวลากับการดูแลใจิตใจเราได้อย่างเต็มที่แต่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้มันละเอียดเราไปซึนน้นิดนึงก็คือว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีสองอย่างควบคู่กันก็นนคือสิ่งที่เรียกว่าการงานภายนอก อั น, นก็คือสิ่งที่เราทําำอยู่ทุกวันนี่แหละให้อยู่ห้งองกินเจอผู้คนเจอครอบครัวอันนี้ก็การงานที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับข้างนอกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บางทีเราอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างละเลยไปสัส่วนใหญ่ก็คือการงานที่คอยดูแลจิตใจซึ่งบางทีบางคนก็อาจฉันก็ดูแลจิตใจอยู่นะ แต่เรียกว่าอาจจะทำแบบอ้อมๆอยากได้ความสุขใจก็ใช้วิธีแบบเก่าก็คือไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่พอใจให้กับจิตใจแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมแบบนี้ได้รู้จักทาความสงบให้ใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีช้อยส e ที่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้อัด อันไม่ได้แบบว่าขัดแคบแบบเก่าที่มีแค่การหาความสุขใจโดยผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายอย่างเดียวเราก็จะมีช้อย c ์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอางก็คือการที่เราได้หลีกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันสงกเย็นอิ่มเต็ม แล้วก็สำคัญก็คือมีความพอถ้ามันก็ได้เห็นน่ได้เห็นโลกใบนี้นี่มันชัดเจนขึ้นด้วยนัคือโลกข้างนอกใบหนึ่งแล้วก็โลกอีกใบหนึ่งที่เรียกว่าจิตใจเราก็จะเห็นถึงสาระของโลกใบนี้ ได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นนะั่ะเสุดท้ายเนี่ยความสุขความทุกข์อะไรมันเป็นใหญ่มันก็วิ่งกลับมาที่โลกในภายในของเรานี่แหละว่าสุขทุกข์จริงๆของเรามันก็เกี่ยวเนื่องด้วยโลกภายในก็คือโลกของจิตใจการที่เราดูแลจิตใจมันจึงเป็นงาสําคัญไม่แพ้กับการทำงานหาอยู่หากินไม่แพ้กับการ ที่เราจะต้องมีภาระหน้าที่แล้วทำให้มันดีในเรื่องการงานในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวก็ตามมันก็เป็นเรื่องสำคัญตามสมมติโลกไปนั่นแหละแต่ออันหนึ่งที่มันสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นก็ช่วงช้าก็อย่างที่บอกเป็นเวลาที่เราได้ดูแลจิตใจเราได้เต็มที่ช่วงเวลาอื่นอาจจะยากขึ้นมาสักหน่อย ช่วงทำงานนี่อาจจะบอกเลยว่าอาจจะยากขึ้นแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะอาจจะแค่ว่าทำได้ไม่ดีเท่ากับช่วงเวลาตอนเช้าเท่านั้นเองคือเราอาจจะมีความคาดหวังว่ามันจะต้องดีเท่าๆกันทุกช่วงเวลาของวันอันนี้ตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ยากช่วงไหนทำได้ดีเราก็ทำให้มันเต็มที่ แต่ช่วงไหนที่มันทําได้ไม่ดีกิเลสมันมีกําลังมากกว่าอันนั้นเราก็ค่อยๆป้องกันค่อยๆสู้กันไปแต่แน่นอนแหละการที่เรามีใจที่เราจะระมัดระวังแล้วก็คอยควบคุมกํากับดูแลจิตใจเฝ้าระวังจิตใ จ, จ, ตใ จ, นนจ ร, ร, ใจใรจักษาจิตใจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นการที่เรามีใจที่เราจะรักษาจิตใจเนี่ยมันทําให้แม้ในระหว่างวันที่เราทํางานก็ตาม เราก็จะคอยรักษาจิตใจเราให้ดีมีสติคอยกํากับคอยดูแลรักษาจิตใจอยู่แม้ในขณะที่เรากําลังทํางานอั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกภายนอกกับโลกของภายในอ่ะมันต้องไปคู่กันพเพียงแต่ว่าเรามีความชํานาญในเรื่องที่เราจะทํางานภายนอกโดยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่งานภายในเราอาจจะไม่ค่อยได้ ได้ทำมากเท่าไหร่ความชงนานเนี่ยสองอันมันเลยไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยบาลานซ์กันเพฉะนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มสัด ส, สว่วนค่อยๆแทรกการงานภายในลงไปในตารางชีวิตของเราให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อ, อย่างเช่นอตอนช่วงที่เรา ทำจิจวัทยส่วนตัวอนนาบน้าแปลงฟันอันเนี้ยมันก็อยู่กับตัวเองไม่มีใครมากวนกับเราเราก็ทำกิจวัทยไปปกตินั่นแหละแต่เราก็เพิ่มงานภายในของเราลงไปโดยปกติเรามางทีอนนาบน้าแปลงฟันล้วก็เปิดเพลงบ้างหรือไม่ก็เอาไปคิดได้เปเื่อไปซึ่งมันยังไม่ใช่เวลางาน มันก็เลื่อยเปลื่ยไปอาจจะคิดถึงงานไปด้วยมันก็ยังไม่จำเป็นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราก็เก็บความคิดที่เราจะเลื่อนลอยออกไปในโลกข้างนอกเอาใจของเราไปจมอยู่กับความคิดของโลกข้างนอกก็ย้อนกลับเข้ามาที่พุทโธย้อนกลับมาที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทำงานข้างนอก คือการทําจิจวัดของเราอ่ะอันนี้คือความจําเป็นที่เราต้องทําควบคู่ไปกับการดูแลรักษาจิตใจก็คือการที่เรามานึกพุโทโธไปด้วยหรือว่าดูลมหายใจไปด้วยดูลมหายใจไปแล้วก็พุโทโธได้ดูลมหายใจไปเราก็แปลงฟันได้อดน้ําได้เพียงแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้แบ่งใจมาทําแบบนี้ ก็เหมืนเดินจงกรมนี่แหละเดินจงกรมไปแล้วก็พุทโธไปดูลมหายใจไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ า, เ, าเราจะปฏิบัติรรมเฉพาะตอนที่เรามานั่งหรือเรามีเวลาไปเดินจงกรมในเดียวอันนี้เขาเรียกว่าสนามซองสนามซองมีเวลาเป็นกิจวัตรเป็นจริงจรงจังๆอันนี้คือสนามซองแต่พอเราออกไปแล้วเนี่ยอันนั้นคือสนามรบจริง ความเป็นรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะถูกลดทอนลองไปมันในสนามรบเนี่ยมันอาจจะมีแพทเทิร์นก็ตามว่าเออตั้งค่ายตรงนี้เดี๋ยวจะสู้กันเอาอันนี้ไปสู้อะตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอีกกองนึงไปสู้อย่างนี้นะมันก็อาจจะดูมีแพทเทิร์นนิดหน่อยแต่พอถึงจังหวะจริงๆมันก็ตลุมบอลนั่นแหละมันก็โนนเนียเอาอะไรชนะอะไรก็สู้กันไปถือหินืับเคลี่ยหิน มีไม้ก็เอไม้ตีไปไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ปืนใช้มีดอย่างเดียวแต่การที่เราอยู่ในสนามรบจริงอย่างนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนแหละทักษะที่เราตุนเอาไว้ในสนามซ้อมเนี่ยมันมันจำเป็นไม่งั้นเราจะไม่รู้วิธีป้องกันแล้วก็ไม่รู้วิธีสู้เราต้องระวังตรงไหนตรงไหนอันตรายตรงไหนปลอดภัย การที่เราได้เป็นทหารน่ะที่เข้ากรมกองได้เรียนรู้เราก็จะได้ทักษะจากการที่เราเข้ากรมกองไปฝึกนั่นแหละแต่พอออกไปสนามรบจริงแล้วมันก็นำทักษะที่ได้ตรงนั้นน่ะเอาไปประยุกใช้ในสนามรบจริงๆซึ่งเงื่อนไขต่างต่างนี่มันซับซ้อนกว่าเก่ากว่าเดิมแต่แน่นอนละแพทเทิร์นที่มันมีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกพัน ตอบโจทย์ทุกกรณีแต่เราเอาาเรียกว่ามีศักยภาพพื้นฐานในการที่เราจะอาิปคิดแก้ไขปัญหาแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอันนี้แพทเทิร์นในการที่เราฝึกทําความสงบเนี่ยมันก็เหมือนกันมันออกไปทางความคิดแล้วก็ดึงกลับมามันไหลไปตามความปวดเราก็ดึงกลับมาเวลาเราเดินตาเราเห็นนั่นเห็นนี่ ได้ยินเสียงนั้นได้ยินเสียงนี้มาหลายออกไปเราก็ดึงกลับมาไว้ที่เราหายใจที่พุทโธ ต, ตั้งมันอยู่ในข้างไหนได้เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นตัวเราเป็นตัวดูตัวรู้อยู่ข้างในอย่างตอนนี้เรานั่งเราก็เห็นตัวเรามันนั่งอยู่เห็นมันคิดกับคิดไปแต่เราก็เป็นผู้ดูผู้รู้มันคิดไป พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นทักษะที่เราได้ในซ้อมไว้ก่อนเวลาเราออกไปข้าง น, นอกจริงๆอยู่กับชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไหลไปตามสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะนั้นเราได้ซ้อมมาอยู่แล้วบ้างเนี่ยเราก็พอที่จะเอาไปสู้กับมันแพ้ บ, บ้างชนะบ้างอันนั้นก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขกันไป ช่วงตอนเช้าเนี่ยเราโอกาสชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีคนกวนไม่มีเรื่องราวอะไรเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดึงใจกลับมาไว้กับพุทโธดึงใจกลับมาไว้กับลมหายใจมันก็ทำได้ได้ง่ายคล้ายๆกับสนามซ้อมแบบนี้แต่พอเริ่มที่จะต้องเดินทางไปถึงที่ทำงาน แล้วก็เริ่มพี่จะทํางานอันนี้มันก็จะยากขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าใจเราต้องแบ่งออกไปข้างนอกแล้วออกไปจดจ่ออยู่กับการงานแล้วออกไปคิดใคร่ควรในสิ่งต่างๆรอบตัวแต่แน่นอนแหละมันไม่ใช่ว่ามันจะส่งออกออกไปอย่างนั้น 100% เต็มใช่ไหมการที่เราอยู่กับการงานที่เราคิดใคร่ควรเเรื่องงานอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีเวลาที่ที่เราเผลอไปอย่างอื่นบ้างแหละอาจจะคิดอาจจะสมมติเอาทำสอง3งานพร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องอาจจงานเบอร์หนึ่งานเบอร์2งานเบอร์สก็ต้องม้วนอย่าคิดอันนี้เสียเดี๋ยวจะไปทำอันนั้นเดีย๋ยวไปทําอันนี้แต่ในระหว่างที่มันคิดตรงนั้นนะมันต้องมีจังหวะบ้างแหละที่มันจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้อยู่กับงานทุกๆขณะจิตของเราหรอกมันก็อาจจะแวบไปถึง พักเที่ยงนี้เนยเราไปไหนดีไม่เดี๋ยวเราไปดื่มอะไรดีเราจะกินกาแฟดีหรือว่าเราจะกินชาดีจะใส่นมไหมหรือว่าไม่ใส่นมมันต้องมีเรื่องพวกนี้แวบๆขึ้นมาอยู่ในในความคิดของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเราหัวสมองคิดถึงเรื่องงานเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเรื่องงานโดยไม่ได้พักหรอกมันก็แวบไปเรื่องอื่นบ้างเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องกินบ้าง เรื่องคนน้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างเพราะฉะนั้นเราเก็บ mm. เก็บไอ้ตรงที่มันไปคิดถึงเรื่องกิมคิดถึงเรื่องคนอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับงานนะไ่คิดถึงสระตะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะ่ะเราเก็บรตรงเนี้เอามาไว้ที่พุโทโธเอามาไว้ที่ลมหายใจซึ่งถ้าเราทำมันอย่างนี้ได้เนี่ยมันได้ขึ้นชื่อว่าเราก็ยังทํางานได้แบบเก่านั่นแหละ แต่ไอ้ที่มันอิเล็กทริกขัดออกไปจากงานเนี่ยเราเก็บมันมาไว้มาทํางานภายในโดยการดูแลจิตใจโดยการย้อนมาเห็นใจเราเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นถึงลมหายใจเห็นถึงคําบริกรรมที่เรากําลังบริกรรมอยู่มันก็จะขึ้นชื่อว่าเราเนี่ยได้ทํางานทั้งภายนอกแล้วก็ทํางานทั้งภายในได้ควบคู่กันไป อย่างเราสมมติว่าเรากำลังประชุมอยู่เงี้ยประชุมไปประชุมไปมันก็ต้องมีช่วงนึงแบบ เ, ออเรื่องนี้ไอคนนี้พูดนําเบื่อเราก็ไม่สนใจใช่ไหมมันต้องมีบ้างแต่การที่เราจะรู้สึกว่าน่าเบื่อแล้วเราไม่สนใจเราไปคิดเรื่องอื่นสาระตะไปเงี้ยเราย้อนกลับมาไว้ที่พุทโธดีกว่าหรือแม้แต่ว่าเรากําลังสนใจในการงานของเราอยู่ยแต่แน่นอนแหละ เปเซ็นมันเหมือนกับที่ว่าเรากินข้าวไปด้วยเราคุยกับเพื่อนไปด้วยเราก็ทําได้เราก็รู้เรื่องทั้งสองอย่างใช่ไหมทีนี้เราฟังเขาประชุมต า, าดูสิ่งที่เขานําเสนออยู่ใจใจเราก็เฝ้าเอาไว้ข้างในอันนี้เราก็ทําได้แต่ก็ต้องฝึกนิดหน่อยอาจจะยังไม่ชินนแต่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชิน ฉนันเราก็จะเห็นตัวเราเนี่ยกําลังนั่งดูนั่งฟังทํางานอยู่เราก็เป็นผู้ดูผู้เฝ้าดูตัวเราทํางานผู้เฝ้าดูตัวเรากําลังคิดเรื่องงานเป็นผู้เฝ้าดูเรื่องที่เรากําลังฟังอยู่ยนี่แะมันก็จะกลายเป็นเหมือนมีโลกสองใบ โลกของผู้ดูผู้รู้อยู่ข้างในอันหนึ่งก็คือที่เรียกว่าความเป็นใหญ่ของเรามันอยู่ข้างในนี่เลยและอีกข้างนอกน่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเปลวก็เป็นบรนหุนยนต์ที่เรากําลังใช้มันทํางานใช้มันดูใช้มันฟังใช้มันคิดใช้มันประมวลผลต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ลดทอน ประสิทธิภาพการทํางานเราเลยมันไม่ได้ลดลงแต่กลับกลายเป็นว่าเราจะทํางานได้ประสิทธิถ้าเราคล่องตัวแล้วนะรักษาใจเอาไว้ข้างในด้วยอยู่กับพุทโธอยู่กับสมาธิใจอย่างนี้ไปด้วยแล้วเราก็จะเห็นข้างนอกทํางานข้างนอกไปตามปกติมันจะทําให้วิธีการทํางานของเราดีขึ้นด้วย เพราะอะไรเพราะเราดูแลรักษาจิตใจอารมณ์ของเรามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ไม่คลอนแคลนไปตามสิ่งที่เราได้ยินไปตามสิ่งที่เราเห็นหรือแม้แต่เข้าคันความคิดของตัวเองว่าเรากำลังคิดแล้วมันดีหรือไม่ดีพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทํางานด้วยอารมณ์ใจอะที่มันไม่เป็นอารมณ์ทางเศร้าหมองขุนมัวหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็จะไม่เป็นอย่างนั้น เพรไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกมันก็เป็นปฏิสัมพันธ์แบบดีการที่เราจะคิดจะอ่านมีเหตุผลมันก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจไอตอนที่ใจมันเศร้าหมองขุ่นงัวหรือว่าหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยบางครั้งมันเลือกที่จะทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องคุยง่ายทำตามใจนะมันไส้มากกะ ไม่เอาเลยชั่งมันหรือไม่ก็แกล้งมันซะหน่อยแต่พอเรามีสติที่เป็นสมาสติเกิดขึ้นมันก็จะคล้ายๆกับว่ามันก็จะเป็นการตัดห่วงอารมณ์ความคิดแย่ๆอันนั้นออกไปตัดห่วงอารมณ์ที่มันกำลังรู้สึกแย่ๆอันนั้นออกไปนิดนึงแล้วเราก็ได้เลือกว่าเราจะปล่อยตามแบบห่วงเก่าๆที่มันไม่ดีแบบนั้นไหม หรือว่าเราจะดำเนินเป็นองเส้นทางสายใหม่ในความถูกต้องตามความที่มันควรจะเป็นด้วยอำนาจของกำลังสติสัมมาสติที่เรามีชีวิตเรามันก็จะเป็นชีวิตที่มีอิสระขึ้นเลือกได้ไม่ไม่ดำเนินไปบนอารมณ์ จากภายนอกที่มันมาเป็นสิ่งชักจูงใจเราอย่างเดียวเราก็จะมีสละเลือกได้ว่าอารมณ์ข้างนอกที่มันมีผลต่อจิตใจกาส่วนหนึ่งเราเลือกว่าเราจะใช้มันหรือไม่ใช้มันก็ได้ถ้าเรามีกำลังสติที่เราเห็นเห็นใจเราอยู่มันก็จะเลือกก่อนที่จะคิด ที่จะพูดที่จะทำแน่นอนแหละถ้าเราเรียนอย่างนี้ได้เนี่ยประสิทธิภาพการทำงานมันก็จะต้องดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเลือกทำใ้สิ่งที่มันถูกต้องมากกว่าสิ่งที่มันถูกใจซึ่งบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันไปทางเดียวกั น, นก็่ายแตบ่บางครั้งบางคราวหรือส่วนใหญ่เลยสิ่งที่ถูกใจกับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ย มันมันไปคนละแบบกันแป็นการที่เรามีสติที่คอยควบคุมจิตใจคอยดูแลอารมณ์ของเราอยู่ในภายในอย่างนี้นโอกาสที่เราจะทำให้สิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจแน่นอนปลงทั้งหมดต้องหมันก็เริ่มมาที่เราเริ่มจากอย่างนี้แหละมีสติ คอยคุ้มครองใจเราอยู่แล้วช่วงจังหวะเวลาไหนที่การงานข้างนอกมันน้อยเราก็อยู่ให้อาหารใจได้เติมพลังใจได้เต็มที่เอาไว้ใช้ต่อกับช่วงเวลาอื่นๆได้ในช่วงเวลาไหนที่เราจะเป็นต้องเอาอารมณ์ใจที่เราตนมาไว้อย่างดีเอามาใช้ก็ใชใ้มันเต็มที่จะ ใ, ให้มันเกิดประโยชน์โดยเฉพาะช่วงที่ต้อง ต้องคิดอ่านพูดคำไปกับเรื่องราวการงานกับเรื่องของคนข้างนอกเนี่ยอารมณ์ใจที่เราตุนไว้มันก็จะมีมีประโยชน์มากในการที่เราจะเอาไปใช้แบบนี้แต่แน่นอนแหละไม่ใช่ว่าในระหว่างวันเราจะใช้มันอย่างเดียวโดยที่ไม่เติมเลยมันก็จะกระไรอยู่เหมือนอย่างเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเราใช้ใช้ไปเรายังพอเรามีเวลาที่เรายังไม่ได้ใช้โทรศัพท์ล้วก็ยังอ เสียบสายชาร์จที่โต๊ะทำงานบ้างหรือว่าเราอยู่นอกสถานที่เราก็เสียบกับภาวะแบงค์บ้างเราไม่ได้รอให้โทรศัพท์เราแบกหมดแล้วเราค่อยถึงมาเสียบใช้ก็ไม่ใช่ในระหว่างที่ยังมีแบตอยู่มีพลังงานเหลืออยู่เนี่ยพลังงานมันลดลงแล้วเราก็เติมมันด้วยในระหว่างการใช้งานเพนั้นการที่เรามีสติคอย คุณครองใจอยู่คอยเห็นใจอยู่คอยเห็นว่าร่างกายมันทำงานไปเราก็ดูแลจิตใจในภายในไปด้วยได้มันก็เหมือนเราเสียบโทรศัพท์คาไว้กับกับปลั๊กไฟนั่นแหละหรือกับภาวะแบงค์ของเรานะมันก็จะได้รักษาระดับพลังงานของใจเอาไว้ ถึงช่วงไหนก็อย่างที่บอกเราก็ต้องคอยสังเกตสังเกตช่วงเวลาตารางตารางเวลาตารางชีวิตของเราให้มันดีเราก็จะได้เห็นว่าช่วงไหนเราสถานนี้เราชนะแน่นอนสบายสบายแล้วก็จัดเต็มไปสถานนี้มันยังยากเราทําได้แค่ว่าประคองให้มันมีสติกเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ยากแล้วอันนี้ก็พักไว้ก่อน แต่ก็ไม่ใช่ละเลยนะนอันนี้สนามนี้อาจจะแบบสูสีห้าสิบห้าสิบสู้ได้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปในแต่ช่วงเวลาของเราที่เราก็ไปปดัตกลยุทธ์แย่งเวลามันคืนมาเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่างการที่เราจะใช้ใจ่ายเวลาไปตามกิเลสหรือจะใช้ใจ่ายเวลาไปในตามธรรมะ เวลามันมีเท่าเดิมอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาโลกภายนอกกับโลกภายในที่มันคู่กันเนี่ยธรรมะมันก็ต้องต้องมีเวลาที่ดึงกลับมาใช้หาเวลาที่จะได้ให้ธรรมะมาแทรกลงไปในชีวิตของเรามันเป็นสงครามระหว่างเย่กับธรรมะที่จะมาแย่งเวลากันอะไรฉะนั้นเราก็ต้องหาช่องให้ธรรมะได้มีโอกาสสู้ได้มีโอกาสยึดสสพื้นที่ ได้มีโอกาสที่จะยึดช่วงเวลาคืนมาจากเกย่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะได้มีผลลัพธ์ก็คือมีความสุขที่มันมากขึ้นทางใจมีความทุกขนะ์ที่มันลดลงทุกใจนะที่มันลดลงซึ่งรักกล า, างชีวิตเราแมเนจมันดีขึ้นเนี่ยผลรวม ของความสุขของเรามันต้องดีขึ้นแน่นอนพอ ร, รวมของความทุกข์ที่มันมีต่อจิตใจเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆลดน้อยลดทอนลงไปแน่นอนงั้นก็เราอยู่ในสนัมซ้อมแบบนี้เราก็พยายามพยายามที่จะฝึกทักษะให้มันดีให้มันเข้มข้นตนทักษะเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ เอาไปใช้จริงๆในสนามจริง